สิกขาบทที่ 9. ภิกษุณนีสาบแช่งตนเองหรือผู้อื่นด้วยนรกหรือด้วยพรหมจรรย์ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังสาบแช่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อสาบแช่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตี